วันนี้คนข้างน้อยคนใหม่ไม่ค่อยมีมีแต่คนเกาเ่าหมอเลีรร้ยแล้วปะตัดตั้งใจขลบมาขึ้นมาถึงเลยเรออาารยวันนี้มาคนเดียวเลยท้องก่อนใช้เวลาเท่าไหร่แต่สมุปาการกตชั่วโมงขึ่นค่ะอยู่ในตัวจังหวัดเลยและ มาทางไหนบางนาตาัดหรืว อ, อวออ่าขึ้นทางออตเวออตเวที่เป็นเส้นที่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นสนูงใช่มขึ้นสูงเอาขึ้นสูงที่เป็นอาทั้งดวอือวสะพาวิถีเอออย่างนี้ค่าทังดวงก็คิดเท่าสี่สิบสี่สิบ เดีย๋ยนี้ไม่เข้าเลยไปไหนมาไหนเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้า ง, างนีน้ีมีรถไใต้ดินสายใหม่เสร็จ้วนนะที่ในกรุงเทพนะติยไม่เใต้ดินใตบีใได้ข้างบนสีม่วงนี่มันใต้ดินดนะ้วยใช่สายใหม่ที่เขาเปิดสายใหม่จะเป็นรถไฟฟ้าข้างบนนะครับข้างบนนะนะรีครับ ไม่ได้ลงเลินนะไม่แต่ค น, นยังไม่ค่อยเยอะครับขาดทุนอยู่ใหม่ๆคนยังไม่ได้รู้จักกันอพอเริ่มรู้จักกันแล้วก็ใช้กันมากขึ้นไป BTS ไปใหม่ก็ขาดทุนเหมือนกั น, อ น, นตอนนี้กำไรน้องไอ้คนใช้กันเนยอะ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 เป็นนายรอยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นนายพันก็อยากจะเป็นนายหมื่นนายแสนนายพลอยากขึ้นไปเรื่อยๆความจริงเขาน่าจะเพิ่มตําแหน่งให้มันสูงมันไปเรื่อยๆนะจากนายพลก็เป็นนายนายนายหมื่นนายแสนนายล้านไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมืนกําเงินใช่ไหม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 แล้วมันผลที่ได้จากการที่ได้มาเป็นยังไงไมันสุขมันสบายมันอิ่มมันพอไหมพอมันไปสุด ข, ขีดเรื่องเงินมันก็ไปหาเรื่องอื่นต่อไปหาเรื่องอำนาจต่อเรื่องตำแหน่งเรื่องยศต่างๆพอเป็นมหาเศรษฐีแล้วทีนี้ก็เราไปเล่นการเมืองเะ อั น, นนี้มาหาเศรษฐีอเมริกาก็ไปสมัครแข่งขันประธานาธิบดีล้เป็นมาหาเศรษฐีแล้วไม่พอต้องไปเป็นประธานาธิบดีเป็นไรเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะความอยากไม่มีคำว่าพอความอยากมีแต่จะอยากมากขึ้นไปเรื่อย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 ความพออยู่ที่ความไม่อยากความไม่มีความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะมีความพอเฉนั้นเราต้องทําลายความอยากถ้าทําลายความอยากได้แล้วความพอก็จะมาอย่าดูคนที่เขามีความพอืูพระพุทธเจ้า พระอาหันตสาวกเนี่ยท่านมีความพอท่านจึงไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรมีแค่ปัจจัยสี่และปัจจัยสี่ก็แบบสุดๆเลยแบบน้อยที่สุดเลยมากน้อยที่สุดอาหารก็มื้อเดียววันละมือ้อเครื่องนุ่งห่มก็ชุดเดียวผ้าไตรหนึ่งชุด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 ไปเก็บมาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นผ้าห่มขึ้นมาเป็นผ้ากีวรโยมถ้าสังเกต ด, ดูจะเห็นผ้าของผ้านี้ไม่ได้เป็นผ้าผืนเดียวนะผ้านี้จะเป็นมีรอยต่อรอยเย็บทั้งท้งที่ความจริงไม่ต้องต่อต้องเย็บก็ได้แต่ยุคแรกๆ่างนี้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 จีวรได้ท่านก็ทําำผ้าของผ้าจึงเป็นผ้าที่เป็นผ้าที่มีผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมามาติดมาต่อกันแล้วต่อมาพอมีพุทธานุ ญ, ญาตให้ถวายผ้ากระถนญ mm. ญาิโยมก็เลยถวายผ้าทั้งพับผ้าที่เป็นผืนใหญ่พอได้ผ้าพี่เป็นผืนใหญ่มา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 อาที่ญาโยมสมัยมานี่สมัยก่อนเป็นผ้า พ, พับสมัยก่อนนี้ไม่มีผ้าจีวงสําเร็จพระจะเป็นคนตัดเย็บเองญาญโญก็เพียงแต่เอาผ้าเขาก็ซื้อผ้าที่เป็นพับม า, าพระพุจ้าก็เลยบอกว่าให้มาทำเป็นแบบนาข้าวนาข้าวนี้เขาจะเป็นแบ่งเป็นเป็นล็อกๆอกไปผ้านี้ก็ให้ตัดเป็นแบบ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 ถ้าเจ็ดขันก็มีเจ็ดชิ้นถ้าเก้าขันก็มีเก้าชิ้นมาตัดมามามต่อกันเป็นเก้าชิ้นขนาดของขันก็ถ้าน้อยมันก็จะใหญ่หน่อยถ้าห้าขันนี้ขันแต่ละขันมันก็จะใหญ่ถ้าเจ็ดขันมันมันก็จะเล็กลงหน่อยเพราะว่าเมื่อมันมาต่อแล้วมันก็จะได้ขนาดเท่ากัน เช่นสามเมตรี้ถ้าห้าชิ้นก็ชิ้นละหกสิบเซนถ้าเจ็ดชิ้นนี่มันก็มันก็ได้ ก, กว่าหกสิบประมาณสี่สี่สิบกว่าถ้าเก้านี้มันก็เก้าสามยิบเจ็ด0กสามสิบกว่าสี่สิบอันนี้เรียกว่าขันขันก็คือที่เป็นเหมือนไม้ที่เราปูบ้านเนี่ยปูพื้นบ้านเนี่ย ินไม้แผ่นหนึ่งก็เป็นขันหนึ่งปีวานของพระท่านก็ให้ทําเป็นขันอย่างนี้เหตุผลก็คือหนึ่งมันจะได้เป็นผ้าที่ไม่ไม่มีค่าก็เป็ น, นเป็นาาเหมือนกับเป็นผ้าขาดมาเหมือนกับเอาเศษผ้ามาปะมาต่อกันมาติดกันพระเวลาอยู่ในป่าบางทีตากผ้าไว้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 ถูกๆใช้ของที่ไม่มีคุณค่าราคาเพราะมันปลอดภัยไม่มีใครจะมาขโมยพระอยู่ในป่านี้ไม่มีสมัยก่อนก็ไม่มีกุฏิอยู่ตามโคนไม้อาจจะทำเพิงทำอะไรพอหลบแดดหลบฝนได้ชั่วขา่าวถ้าเก็บของมีค่าวไว้เดี๋ยวก็ถูกขโมยมาขาโมยไป ของพระยังไม่มีค่าบาทก็ไม่รู้ขโมนว่าจะเอาไปทำอะไรผ้าก็เป็นผ้าขาดก็มีใบมีโกนที่กนศรีรษะโกนหนวดที่กรองน้ำเข็มกลับได้มีคือสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ก็วาดของพระ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 อะไรกินอะไรดิม่มอะไรแน่นกันไหมเห็นจะต้องไปเที่ยวที่ไหนกันนี่แล้วมันเป็นยังไงมันวุ่นวายหรือมันมันมมันไม่วุ่นวายที่ปัญหาคือมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องหาอะไรทำพอทำแล้วมันก็ติด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 ไ่หาอาหามากุฏิที่อยู่อาศัยก็ถ้าไม่ชำรุดทุดโทรงก็ไม่ต้องทําอะไรจีวรถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องหาใหม่ถ้าเจ็บไข้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหายามาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายาเนีย่ยพระก็หากันแค่นี้แหละพระพุทธเจ้าพระอาจารตาสาวท่านหากันแค่นี้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 ทำลายความอยากไม่ได้ความอยากมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับของแหลมทิ่มแทงหัวใจเราทำให้เราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เราเกิดความอยากนี่เหมือนกับถูกอะไรทิ่มแทงต้องไปทำลายไอ้ความเจ็บปวดที่เกิดจากที่ถูกของแหลมทิ่มแทง แทนที่จะเอาของแหลมออกจากใจกลับไม่ได้ไปเอาออกกลับไปหาของแหลมมาเพิ่มอีกการที่เราจะทำลายความอยากแทนที่เราจะเอาหยุดความอยากเรากลับไปทำตามความอยากก็เหมือนกับไปเอาความอยากมาเพิ่มใหม่เพราะพออยากเราไปทาตามความอยากวัดเดี๋ยวความอยากใหม่ก็มาผลใหม่ตัว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 วิธีแก้ปัญหาง่ายๆแต่ทํายากก็เกินการที่จะฝืนความอยากนี่มันรู้สึกว่ามันยากยิ่งกว่าไปปีนภูเขานะให้ไปปีนภูเขาหิมาลัยนี่ยังง่ายกว่าการไม่ทําตามความอยากไม่เชื่อลองวันไหนลองนั่งเฉยๆดูสักห้าหกชั่วโมงเนี่าสมมติว่ากํากลังนั่งอยู่บนเครื่องบินไปไหนมาไหนไม่ได้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 แตเมืเวลาอยู่บนเครื่องบินนั่งกันได้ 8, ปดเก้าชั่วโมงสิบเ็ดชั่วโมงน่นั่งกันได้ลองนั่งเครื่องบินที่บ้านเราดูเลยถึวันนี้เราจะเดินทางไปอเมริกาหาเก้าอี้สบายสบายมานั่งสักตัวหนึ่งเราบอกว่าตอนนี้เรากำลังนั่งเครื่องบินไปอเมริกาเราไม่ต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆดูนาฬิกาพอสิบเ อ, อ็ดชั่วโมงแล้วค่อยค่อยลุกออกถึงแล้วถึงถึงอเมริกาแนละ้ว เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็นั่งอีกสิบเ็ดชัว่วโมงนั่งกลับมาเมืองไทยมันก็นั่งเหมือนกันทําไมนั่งได้เวลาเป็นเวลาเดี๋ยวนี้เครื่องบินก็มีไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีอะไรให้ดูสมัยที่เรานั่งไปนั้นสบัยนั้นยังไม่มีหนังให้ดูมีแต่ข้าวให้กินก็ขึ้นไปเขาก็เอาอาหารมาให้กินกินเสร็จ ก, ก็ให้นอน อาต่นขึ้นมาให้กินอีกมือน่<ม>ก็ถึงนะสมัยนี้มีทั้งภาพให้ดูมีทั้งเสียงให้ฟังเอาสมัยก่อนมีหนังสือพิมพ์ไม่อ่านมีนิตยาสารให้ดูคือใจมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันมันติดรูปเสียงกลิ่นรสมันต้องมีอะไรมาให้มัน เจ็อยู่เรื่อยๆยมันถึงจะหายหยุดเหงื่ถ้าไม่มีอะไรมันเสียแล้วมันหยุดเหงี่ยเอาไม่เชื่อลองนั่งดูสิวันไหนว่างๆวันหยุดไม่ต้องทํางานกินข้าวเสร็จแล้วก็บอกต่อไม่นี้จะนั่งเว่า ถ, ถึงเย็นเลยถึงมื้อแล้วค่อยกินข้าวเย็นต่อวันนี้งดมื้อกลางวันหนึ่งมือ้อเดื่มน้ําแทนมื้อเช้าก็กินเยอะๆหน่อยก็ได้กินเผื่อเหมือนกับเราจะองออกเดินทางไม่มี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 ถ้ามันเป็นวิธีแก้ปัญหามันน่าจะหมดปัญหาไปนานแล้วแต่มันไม่หมดความอยากมันไม่เคยหมดจากการทำตามความอยากก็เลยลองมาทำอีกวิธีหนึ่งทำโดยที่ไม่โดยไม่ทำตามความอยากแทนโดยใช้การเปรียบเทียบคนที่เขาเลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้เ็อะไรเพราะเขาไม่ดื่มตามเวลาที่เขาอยากดื่มใช่หไหมเขาไม่สูบตามเวลาที่เขาอยากสูบ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 อยู่กับที่ได้แสนจะสบายแต่อยู่ไม่ได้กันเ <Yeah. S 1> เป็นธาตุของความอยากรอความอยากสั่งปับ๊บต้องไปทำตามที่มันสั่ง ท, ทันทีเอาไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ไปเลย <Yeah. S 1> ไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่มาไปซื้อเลยทั้งทั้งที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อ แล้วทำไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดไม่ไม่พอต้องมีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยต้องต่อสู้กับความอยากด้วยหัวใจของคำสอนของท้าวเจ้าก็อยู่ที่การทำลายความอยากนี่ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากถ้าทำลายความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะหมดไป หลดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทำลายความอยากแล้วเราก็จะอยู่กันแบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติได้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้ถ่ายลายไฟฟ้ายังคืนล้วก็ไม่ออกไปไหนจุดธงจุดเทียนในไรปพอมีแสงอะไรบ้างนิดนิ ด, นดหน่อยๆน่อยก็พอ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 ไม่มีรถยนต์ที่พ่นพิษพ่นควันออกมาจะไปไหนมาไหนก็เดินไปถ้ามันเดินมันจะได้ไม่ต้องไปไกลนะสมัยก่อนนี่เดินทางไปไหนทีนี่บางทีสมัม น, นี่เดินทางแค่สองชั่วโมงก็ถึงทมัมก่อนนี่ต้องข้ามคืนทำสมเด็กๆ เ, เราเคยอยู่ที่สุพรรณบุรี เวลาจะมากรุงเทพเนี่ยลงเรือเย็ยนมาประมาณบ่ายสามหรวีสองสองสองเที่ยวับ่ายสามกับหกโมงเย็ยนแล้วมันก็จะไปนอนในเรือเนี่ยมาถึงกรุงเทพก็ตีสองตีสามแล้วก็นอนนอให้สว่างถึงค่อยถึงกรุงเทพกันจากสุพรรณบุรีแค่เนี้ยเดี๋ยวนี้นั่งขับรถไปชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ถึงทำไมก่อนต้องนั่งเรือกัน ไม่มีรถถนนยังไม่ทำไม่เสร็จตอนหลังก็มีรถรถกระหลายชั่วโมงเพราะถนนมันก็ถนนลูกรังรถก็รถแบบสมัยก่อนก็เป็นรถแบบรถบรรทุกมาทำเป็นเป็นรถบัสบองทีวิ่งไปยางแตก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 มีควันพิษตามมามีรถติดตามมากาจริงเดินทางน่าจะเดินทางแค่สิบห้านาทีก็เป็นทีชั่วโมงในกรุงเทพนี่บางทีรถติดกันถ้าไม่มีรถนี่วิ่งกันจริงๆ10งสิบนาทีก็ถึงมามันก็ย้อนกลับไปเหมือนยุคก่อนนัน่นเองมีรถมีอะไรแต่ก็ยังมาเดินทาง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 ถ้าคนน้อยทรัพยากรก็เหลือเฟือแล้วก็ใช้ทรัพยากรแบบมไม่ทำลายแบบก็เรียกแบบยั่งยืนรีไซเคิลได้ใช้ของธรรมชาติใช้เช่นเมื่อก่อนใช้ใบตองไว้ห่อของใบตองนี้ทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็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 ก็คือหยุดใช้เงินเงินเรามาหยุดใช้เงินซื้อความสุขซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเอาเงินไปทาบุญกันเอาไปช่วยเหลือคนที่เขาขาดปัดจจัยสีกันเอาเงินไปซื้อของจำเป็นดีกว่าซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนึ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยแล้วก็ จะได้มีเวลามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันก็คือมานั่งสมาธิมารักษาศีลนั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้ทำลายความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วก็อยู่เฉยๆได้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 ลองนั่งสมาธิจิตสงบไม่คิดอะไรนะี่ความอยากมันหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วใจเย็นสบายมีความสุขจะเห็นโทษของความอยากทันทีว่าที่ใจเราไม่สบายก็เพราะความอยากนี่อพอความอยากไม่มีชั่วคราวนี้ความสงบความเย็นความสบายก็เกิดขึ้น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 สิ่งที่ได้มาให้ความสุขเดียวเดียวแล้วพอเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาสิ่งนั้นก็หมดความหมายไปต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มถึงจะมีความสุขมาเพิ่มก็ได้สุขเดี๋ยวเดียวก็หากันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันที่จะพบกับคำ ว, ว่าอิ่มคำ ว, ว่าพอต้องมาหยุดความอยากนี้ทั้งนั้นโดยการหยุดใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆ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 แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่รู้สึกหงุดหงิดลำคานใจร <Yeah. S 1> ่างกายจะตายจะแก่จะเจ็บ ก, ก็ไม่เดือดร้อนเ <Yeah. S 1> พราะไม่ได้พึ่งพาอาศัยมันไม่ต้องใช้มันแล้ว <Yeah. S 1> ปล่อยมันปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายได้อย่างสบาย <Yeah. S 1> นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกถูกต้อง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 ทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ก็ออขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสบายที่ถาวรที่จะเกิดตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร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 ราโสยะธาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอะิวาธนสีลิตสะนิจจังวุทฒาปะจายโนจตารโอธรมมวาทานติอายุวันโนสุขัง ฮาลาันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะสามร้อยหกสิบเอ็ดค่ะเท่าเดียวครูว่าห้าสิบห้าสิบคนแล้วเข้าถึงเท่าไหร่นะสองหมื่นเจ็ดค่ะสองหมื่นเจ็ดอ๋อวันนี้น้อยนะให้ไปแรงหมดเลยอาจาัย์ครับพรุ่งนี้พระป่ามาจะให้ถวายของหลางเทพหรือว่าก่อนต็นด้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ก็แล้วกันได้ใช่อแล้วแต่เหตุการณ์ ถ้าเขานั่งสงบก็ไม่ต้องถ้าเขาจะเอาไม่สงบเขาจะถวายก็ถวายมันแล้วแต่ถ้ามีคนอื่นมาร่วมเขาอยากจะถวายข้าของด้วยก็ว ถ, าถาวายก่อนก็ได้ถ้าเสร็จก็ค่อยพูดก็ได้หรือพูดก่อนแล้วก็ค่อยถวายก็ได้แล้วแต่เรื่องอะไรที่เราจะไปผูกมัดตัวเราเองกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใ ช, ม, ใชมีทางเลือกก็เอามันทุกทางอ <laughs> เอาทั้ง เอาทั้งข้างบนเอาทางข้างล่างเข้าใจไหมข้างบนข้างล่างนี่หวยไงไหมหวยอะไรรู้ทางบนทางล่างที่เอาทั้งหมดเดี๋ยวเกิดทางข้างล่างมันไปออกข้างบนจะทำไง ที่จะรอรับพรได้รับพรนะเดี๋ยว อ, อยากจะกลับก็กลับได้นะอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ถามตอบปัญหากันไปใครมีคำถามก็เข้ามาเลยถ้าไม่มีถามได้เลยนะครับจะถามว่าทงไมนี่ โรคไข้เจ็บเยอะแล้วคนบวชก็เป็นโรคต่าเป็นโรคคนละโรคบางโรคโรคมันมีสามมันมีแค่สามชนิดอ่ะมันจะมากขนาดไหนก็มีสามชนิดเท่านั้นล้วคนที่บอกเป็นโรคก็เป็นในทุกควรจะบวชในพุทธศาสนาแน่นอนเป็นโรคล้วมาบวชทำไมเวลาดีๆไม่มาบวชเวลาเป็นโรคมาบวชที่นี่เขาไม่รับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเขาเองได้ คนที่จะมาบวชนี่ต้องไม่มารบกวนคนอื่นต้องเป็นที่พึ่งของตนเองต้องหากินเองได้อยู่อยู่เองได้ไม่ใช่มามาเจยบไายได้ป่วยแล้วอาศัยวัดเป็นโรงพยาบาลนึงไม่ได้หรอกเข้าใจไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าบวชเพื่อมามาเกาะเกาะก็ ก, ก, ก, กินกับวัดอย่างนี้คนก็ถึงไม่มีกาบวชตอนแก่กันไง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 ค น, ค น, ค น, คนพิกงพิกา ร, การนี่เขาไม่ให้บวชเราช่วยตัวเองไม่ได้จะอ้างว่าเมตามันเรื่องของเมตาก็เมตตาแต่เรื่องของเรื่องของมาตรฐานของของาศาสนาก็ต้องมีาศาสนาก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัย ไ, ไม่ใช่ใครอยากจะขอมาเรียนก็ให้เรียนเพราะเมตตาเรียนแล้วก็ไม่เรียนไม่จบให้เรียนไปทำไม อนะอย่างจุฬาทําไมก็ไม่เปิดให้คนที่การคนหุหน้นหลวกตาบอดเป็นเรียนเพราะมันเรียนไม่ได้เรียนมันไม่จบเรียนไปทําไมถ้าเรียนไม่จบมาบวชแล้วไม่ไม่บรู้มาบวชไปทําไมสมัยก่อนเขาบวชเขาบวชเพื่อบรณฑรู้กันทั้งนั้นนะ่ะเขราบวชเพื่อให้เรียนจบกันสนะมัยนี้มันไม่ได้มาบวชเพื่อบรณฑรู้กันแนะไม่รู้มาบวชเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อล้นเบนอะ่ะ เพื่อลดัวลานะอศาสนาพุทธนี่เป็นมหาวิทยาลัยรู้ป่าวมีระดับสี่ิญญาสี่ระดับโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอรหันต์ไอ้นี่เขามาบวชเพื่อให้จบปิญญาสี่ระดับนี่กัแต่กลับไปทำอะไรกันก็ไม่รู้ กลับไปเป็นเจ้าอำเภอเจ้าตำบลเจ้าอะไรเจ้าจังหวัดเจ้าอาวาเจ้านี่ไม่ดีในนี่ไปเรียนแข่งข้าโลกสิไปเรียนปริญญาตีโทเอกแข่งข้าโลกก็สิ <c oughs> เอาบวกเป็นผ้าแต่ไปเรียนปริญญาตีโทเอกปริญญาของพระไม่เรียนมาอะไรของตัวเองเรียนไม่กลับไม่เรียนกลับไปเรียนมาอะไของคนอื่น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 ทางโลกก็คือโลกกรธหลงเนี่ยคือทางโลก เ, น mm hmm. กเินเละตัณหาเนี่ยคือทางโลกราบยศสารเสริญสุขเนี่ยคือทางโลกเบียดใกล้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะอย่าไปอยากได้มันตัดมันไปให้รู้ทันโลกโลกก็คือโลกกระทำแปดลาบยศสารเสริญการ เจริญในราบยศสรรเสริญและการเสื่อมในราบยศสรรเสริญเนี่ยกว่าโลกธรรมแปดผู้ที่รู้ทันโลกก็รู้ว่าเลอะยาบยศสรรเสริญสุขนี่มันมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาเวลามันระเบิดตรงตามนี่ทำให้คนกระโดดตึกตายกันรู้ไหมที่คนฆ่าตัวตายก็เพราะสูญเสียราบยศสรรเสริญสุขนี่แหละจะไปเสียอะไร ใช่มเวลาแฟนไปมีแฟนใหม่ที่นี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายนะร้ทันวเวลาบวชคนบวชนี่เขาต้องเลือกเลือกเปนคนที่สามารถที่จะทำหน้าที่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 คนเราไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเมื่อถึงเวลามันจะเจ็บไายได้ปวดมันก็เจ็บก็ดูแลกันไปแต่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะรับเจาะจงเอาแต่คนแก่คนชรามาเพราะเมตตาถ้าเมตตาแบบนี้ก็เจ๊งน้ถ้ามหาลัยรับแต่คนที่ไม่มีความสามารถเรียนเพราะเมตตาเราไปมหาลัยก็เจ๊ง ไม่มีใครมาเรียนนี่ใครอยากจะถามอะไรไหมในหลักละที่บวชเนี่ยเขาบอกเขาอ่ะจบทําที่ทําเอกทําโทอะไรประมาณนี้อ่ับในอยู่ในอุตสาหหรือว่าอุตสริครับ เป็นมุสาวนจบก็จบเลยนะคาัตีก็มีแต่จริงก็ไม่จบอะไครับถ้าไม่จบก็โกหกก็เลอันนี้รู้วเป็นมุสาวอ่โกหกแต่โกหกก็มีโกหกแบบหนักแบบเบาโกหกแบบปาราชชกคือขาดจากความเป็นพระนี่ต้องอวดความวิเศษเช่นได้ชาญได้บรรลุเป็นโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้แต่ไม่ได้เป็น โกหกแบบนี้ก็ถือว่าปาราชิกอาจจากความเป็นพระโทษหนักแต่ถ้าเป็นก็ไม่ผิดทีบางทีคนเป็นพูดไปคนเขาไม่ไมรู้ไม่เชื่อจะทำยังไงพูดไปหาว่าโกหกก็จะทาไงแล้วใครจะไปพิสูจน์กันว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นเพราะคนพิสูจน์ก็ไม่เป็นส่าคนหนึ่งเราจะไปพิสูจน์คนเต็นรอาจารย์ครับแล้วถ้าในกรณีที่ท่านหลง ไปนึกว่าท่านเป็นท่านบรรลุเนี่ยเป็นปาราชิตไหมครับไม่รู้เหมือนกันในนี้ ม, มีข้อยกเว้นร้องบา้าไม่นูะสมัยก่อนยังมีคนมาพิสูจน์ได้เช่นพระพุทธเจ้ารับรองอ่ะาคนนี้เป็นแต่สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจา้าแล้วใครจะมารับรองว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นไปพูดไปเดี๋ยวก็โดนเขาจาับลงโทษว่าอ่า เป็นประราชิขึ้นมาเนี่ยทาไงเป็นแล้วไม่เป็นก็ไม่มีใครรู้อีกอ่ะจะรู้ก็ต้องรอให้ตายไปก่อนนะเราดูกระดูกกายเป็นพระธาตุหรือเปล่าถ้ากระดูกเป็นพระธาตุก็อ่ะคนนี้เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่แน่อีกอ่ะเพราะคนที่เป็นแล้วอาจจะไม่เป็นพระธาตุก็ได้อยู่ที่เวลาเป็นว่าเป็นนานไหก่อนตายถ้าเป็นปุ๊บแล้วตายนี่เวลาที่จะ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 อันนี้ท่านก็พูดได้เมื่อกี้ถามอะไรนะลืมไปแล้วอะไรบางประการเป็นปัญหาชิ้หรือเปล่าออพูดโกหกอ่ะจบทำคลิปตัวเองเขาโทษอาจรย์จิ้งกุฎโจงเนี่ยอก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพูดแบบนี้ก็เป็นภาพเพือเจ้าภาพแบบโกหกนาตาหลอกงง พระแบบที่แบบว่าบวชตามตามประเพณีหรือบวชเพราะว่าไม่มีที่ไปะแล้วบวชบางทีก็ขนาดแค่นักทำเตียังเลยไม่ได้ต้องมาโกหกมันขึดด้นดะ้วยนะมันมันมั น, ม, นมันงองขนาดไ <c oughs> หนัก้วทำเตีเนี่ยหนังสือเล่มเดียวทําต้องไม่กี่วันก็จบแล้วไปสอบไปได้นะแล้วมาโกว่านเล่มเดียว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 ก็เลยไม่เคยมีนักทำตีเข้ามาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยเห็นเวลาจะไปเป็นอะไรทั้งลําบากเขาต้องดูวุฒก่อนว่ามีนักทำตีโทรเองก็ป่ะแต่เป็นเจ้าว่าก็บอกอ้ า, าคุณไม่มีนักทำโทไม่มีนักทำเอกแต่แปลกได้เป็นเจ้าคุณนะเวลาคนที่ไม่จบนักทำตีมันไม่นา่าจะได้เป็นหรอกแต่อาศัยมันเป็นตําแหน่งของสมเด็จสังฆ ร, ร, ราชเป็นคนมอบให้เป็นฐานานุกรมคือเป็น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 ลวจําจพระอาจารย์ไม่ได้ใช่ไครับตอนที่เจอพระอาจารย์จำไม่ได้ว่าใครบวชอ่าไม่เคยไม่ก็ไม่เคยเจอกันเลยบวชกันแล้วก็ยากไปอยู่ที่วัดตาบ้านตาดพอมาอยู่วัดยานี้ก็เก้าปีไปละเก้าปีสิบปีแล้ก็ถามว่าบวชที่ไหน <laughs> ใคบวชได้โอ้วันนี <laughs> ท้ทานเลยขาท่านมอกแล้ก็บวชท่านบวชให้เองเละ เพราะพระเลขาท่านเป็นพ hmm. ี่เลี้ยงนเป็นคนสอนนาคให้พระเลขาท่านเป็นคนสอนนาคให้อบวดแล้วก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาก็ไม่ได้เน้นการเรียนเขาเน้นการเรียนแบบแบบภาคปฏิบัติสอนแล้วก็ปฏิบัติไปไม่ไท้เน้นมาเพื่อมาท่องจำเพื่อมาสอบกันเน้นเพื่อเอาไปปฏิบัติสอนเพื่อเอาไปปฏิบัติเรียนเพื่อเอาไปปฏิบัติ อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลอาจารย์ครับทีนี้ที่เขาเรียนอภิธรรมกันมีความจำเป็นนหมครับถ้าไม่รู้อะไรเลยเรียนก็ดีแต่เรียนก็เพื่อที่จะเอามาปฏิบัตินั่นแหละถ้าเราไม่เรียนก็ได้ที่เรียนก็ที่แบบที่เค ย, เยคือธรรมะนี้มันมีอยู่สองทาง เรียนพระวิธรรมก็ได้หรือพระสูตรก็ได้พระสูตรก็คือดธรรมที่พระเจ้าแสดงต่อสาธารณชนแล้วเขาก็บันทึกเอาไว้พระสูตรต่างๆเช่นธรรมจากกัปปวัตตนสูตรมงคลละสูตรอันนี้ก็เป็นธรรมเหมือนกันเป็นเหมือนอภิธรรมเหมือนกันเพียแต่อภิธรรมนี่เขาจะเน้นทางด้านธรรมที่ในระดับสูงที่คือดธรรมขั้นจิตคือ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 ไม่เห็นนั้งๆมันมีอยู่ในใจตลอดเวลา mm hmm. ก็ไม่จำเป็น mm hmm. ขอให้เรียนศีลสมาธิปัญญาแล้วมันก็จะพาเราไปสู่ทำขั้นต่างๆเองร mm hmm. ักษาศีลไปแล้วก็นั่งสมาธิไปพอใจสงบก็จะมีกำลังที่จะพิจารณาปัญหาที่มันติดอยู่กับสิ่งต่างๆ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 ก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี้ใช้ตายรักนี้มันพอแล้ววิธีปฏิบัติมันไม่ต้องรู้เจตสิกไม่ต้องรู้จักชื่อว่าอ่าอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็พอทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์หมดอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปติดมันเหมือนกันเหกัอย่าไปติดบุรี่อย่าไปติดสุราอย่างเงี้ยอพวกเรามันชอบไปติดกันติดเหมือนติดบุรี่ติดสุรา ติดลาบยศรเสริญนะติดร่างกายติดเวทนาเวทนาก็จะติดตตดสุขเวทนาพอทุกเวทนาก็ไม่อยากได้พอไม่อยากได้ก็ทุกขึ้นมาต้องอย่าไปติดกับทุกอย่างติดก็เหมือนกันติดก็ติดอารมณ์อารมณ์ในจิตอารมณ์เบิกบานอารมณ์แจ่มใสชอบเวลางมอารมณ์หุดหงิดก็ ไม่ชอบขึ้นมาก็พ <ห gadget. S 1> ิจารณาว่ามันไม่เที่ยง <m uch ly> มันเกิดมันดับมันเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีหงุดหงิดมีผ่องใสมีอะไรก็รู้กัน <m uch ly> an, รู้ทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันอย่าไปเสดมันพูดง่ายๆอย่าไปติดมันแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไร ถ้าถ้าถาถ้าามว่าต้องเรียนพิธามไหมไม่ต้องเรียนหรอกขอให้เรียนเศีล ส, สมาธิปัญญาก็พอการรับในยุคปัจจุบันเนี้คารว่าเนี้ยมีโอกาสรับธรรมเป็นมัสนิพพานได้ไถ้าเกิดถือแค่สี่ห้าได้ก็มีแม่ชีสองรูปที่อยู่ในว่านยานที่เขาทําเป็นหนที่เพิ่งเนี่ยเขาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นแม่ชี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 ใจไม่สบายก็ไปดูอะไรแค่หน่อยไปฟังอะไรแค่หน่อยแต่มันหาเดียวเดียวหาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้าจะให้มันหายอย่างถ้าวมันก็ต้องหาด้วยศีลสมาธิปัญญาน mm hmm. ก็คือสีงแปดก็คือไม่ไปแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวไปดูไปกินไปดื่ม mm hmm. ให้นั่งเฉยเฉยอย่างที่บอกตอนต้นเนี่ยบอกให้นั่งเก้าอี้เฉยเฉยสักแปดชั่วโมงเลยถ้านั่งได้ปัญหามันก็หมด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 ไม่มีเครื่องมือจะสู้มันก็ต่อยเราอย่างเดียวมันก็ยากแต่ถ้าเราต่อยกลับไปนี่มันก็จะทําให้เราถูกต่อยน้อยลงมันก็ไม่ไม่ทรมานยังต้องมีสติมากๆเพื่อที่จะหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆพอมไม่มีมันก็จะอยู่เฉยๆได้ถ้าถ้าสามารถที่จะนั่งสมาธิให้ติดสงบได้ด้วยมันก็จะทําให้ ความสุขตรงนั้มนมาช่วยบรรเทามันก็ช่วยมันเทาได้ช่วยทำให้เรามีกำลังที่จะฝืนความอยากได้ง่ายขึ้น <Okay. S 1> เพราะถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันทนไม่ไหวหรอกมันทรมานใจมากเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทาตามความอยากนี่มันทรมานใจมากเราต้องหาวิธีบรรเทามันด้วยการใช้สติ ใช้สมาธิใช้ปัญญาไปมันก็จะเบาลงหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้ขันติเอายอมให้มันให้มันทรมานไปสุดๆเลยแล้วก็แบบว่าจำใจเฉยๆสู้กับมันไปถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีเดี๋ยวมันหมดกำลังไปเองแต่วิธีนี้ยากหน่อยเพราะมันไม่ใช้ใช้อะไรใช้ให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆ ร่วงมันกำลังอยากก็อยากไปมึงอยากอยากก็อยากไปแต่กูไม่ทําตามความอยากเท่านั้นอ่ะขอยืนกระต่ายขาเดียวนี้กูไม่ทําตามความอยากมึงจะมึงจะฟาดหางฟาดงวงฟาด ง, ง, ง, งาง น, นี่ก็ปล่อยมึงไปโอ้ตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนกับมันจะอาวะวาดสุดๆในใจเราเนี่ยก็ปล่อยมันอาลวาดไปถ้าเรามีกำลังสติสู้มันได้รู้เฉยๆได้เดี๋ยวมันก็หมดกำลังเอง พอหมดกำลังแล้วก็สบายแล้วเอาปัญญาได้ไหมมาน้องพิจารณาอะไรบ้างอ๋อปัญญาก็บอกว่าไปทำแล้วเดี๋ยวก็ต้องหายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทําใหม่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวพรพออยากจะลุกไปทำนูำ่นทํำนี่อ่ะก็หายหงุดหงิดพอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรทาก็หงดเหงิดขึ้นไาอาีกยังไงก็ปล่อยไม่หงุดหงิดไปจนกว่ามันจะหมดกำลังของมันไปเองทุกอย่างไม่เที่ยง แม้แต่ความมุ่งมั่ก็ไม่เที่ยงความอยากมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดได้เนี่ยมันก็ดับได้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งก็ได้มันเกิดได้เนี่ยมันก็ดับได้เองกูไม่ต้องไปทําอะไรกับมึงมึงอยากจะอยากก็อยากไปเดี๋ยวมึงหมดแรงมันก็หยุดเองอเพียงแต่วเราจะทนให้มันรอให้มันหยุดได้หรือเปล่านั่นเองถ้ามันหยุดเองมันเองได้เราก็สบายต่อไปเราไม่ต้องไปหยุดมันเพียงแต่เราไม่ไปทําตามมันเท่านั้นเอง เหมือนเพื่อนมันชวนให้ไปนู่นมานี่เราไม่ไปเดี๋ยวท้อท้าก็ไม่มาชวนเราเองเดี๋ยวเขาก็เบื่อาก็ไม่มาชวนเราเองอ่ะแต่ถ้า เ, เขามาชวนป๊อบเราไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาชวนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมความอยากนี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนนี่มาชวนเราให้ไปทํานู่นทํานี่ถ้าเราไม่ไปทําตามที่เขามาชวนเดี๋ยวเขาก็ไม่มาชวนเราเองเออทางบ้านถามว่อยั ง, ย, งยังไม่ได้ถามนะ มรเลยข้อความนะครับต่อไปเป็นคำถามจากทางข้อความนะครับจากคุณอารีะนะครับอพอดีหนูเป็นอิสลามแต่อยากฝึกจิตให้เป็นสมาธิและไม่ฟุ้งซ่านและไม่ให้เกิดอารมณ์โมโหต้องทำไงดีคะัเพราะบางครั้งเวลาโมโหก็กำหนดได้บ้างไม่ได้บ้าง อยากให้มันประติดประต่อกันค่ะตลอดค่ะแต่ก็หลุดทุกครั้งคือทุกครั้งที่สวดมนต์ตอนกลางคืนสวดมาก็ประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะง่วงอยู่บ่อยๆอีกอย่างเวลาสวดบนที่นอนหน้าหิ้งพระบ้างและสถานที่ที่บ้านของหนูมันไม่ค่อยอำนวยมีคนเข้าออกอยู่บ่อยๆ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 ทำให้ใจเย็นขึ้นรู้ทันอารมณ์โกรธด้วยค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูเป็นคนขี้โกรธขี้หุดหงิดแต่หลายเดือนมานี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ อ, อ๋อการสวดมนต์นี้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งสวดมนต์ออกเสียงนะเราสามารถสวดในใจได้แล้วสวดได้ในทุกเรยาบทเลยถ้าเราสวดได้ทั้งวันได้ยิ่งดีอะ่ะคือเวลาเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการงานเราก็สวดไปภายในใจ สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ใจเราเย็นหรือถ้าเราอยากจะสวดสั้นๆก็แค่พุทธโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้แล้วแต่แต่ให้สวดไม่ต้องออกเสียงสวดไปภายในใจเราเราจะสามารถสวดได้ในทุกกิริยาบทเราจะไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังสวดมน์อยู่เราสวดใครเขาดา่าเราแล้ ว, ลวก็อิิปิโสภะกวาอราหังสัมมาสัมพุทธโธไป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 พุ่นวายใครจะทำอะไรกันเราก็สวดของเราไประเบิดตูมตางขึ้นมาเราก็สวดของเราไปได้จะทำให้ใจเรานื้เย็นจะทำให้ใจเราสบายยังให้เปลี่ยนวิธีสวดใหม่คือไม่ต้องนั่งสวดนไม่ต้องออกเสียงสวดได้ทุกกิริยาบททุกแห่งขนทุกที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็เอามาสวดเลยดีกว่า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 แล้วเขาก็ไม่ได้ด่าเราตลอดเวลาเดี๋ยวเขาหยุดได้เดี๋ยวเขาก็หยุดเองเราไม่ต้อ ง, ไป อ, ไ, ไ, อองไปอยากให้เขาไม่ดา่าแล้วเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ใจของเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราคําถามข้อต่อไปจากคุณโทนี่ว่องนะครับกระผมได้รู้จักชาวศรีลังกาท่านหนึ่งและท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ใน บ, บวนพรพศาสนาที่ราดจัุรีแล้ว ท่านประสงค์ที่จะหลุดพ้นตามรอยพระศ า, าสดาแต่เนื่องด้วยท่านไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนและชี้แนวทางที่ถูกต้องหากก็ผมอยากพาพระชาวศรีลังกานี้เข้ากราบนมัน ส, กนมสการพระอาจารย์เพื่อดูจริยาวัดของท่านว่าพอจะอบรมสั่งสอนให้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือไม่ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์พอจะเมตตาให้เข้ากราบนามัสการได้หรือไม่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 จะผิดไหมก็เขาขายไก่เขาก็ค่าไก่ใช่ไหเราซื้อหุ้นเราก็ถือว่าอยู่เพราะเราได้ผลประโยชน์จากการค่าทีเขาบอกงี้ถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารไปปล่อยให้บริษัทค้าไก่เขาเากู้เจะทำยังไงโอไม่รู้เหมือนกันมันถ้ามันเป็นหลายหลายหลายหลายตอนนี้แล้วก็เราไม่รู้จะพูดยังไง ก็ดีที่สุดก็ไปบวชก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อาทีพที่น่ <c oughs> นอนที่สุดก็คือบินธบาตเนี่ยอาชีพที่ถูกต้องที่สุดไปบินทบาทนนก็หมดเรื่องเกียรติให้ไปบินทบาตจะได้ขยันท่านสอนเรื่องบินธบาตนี่อยู่สามสามสามแห่งด้วยกันสอนในเวลาพระบวชใหม่เรียกว่ากิจ ข, ของพระที่บวชใหม่เพึ่กระทำก็คือ ให้บินฑบาตเรื่อง ช, ตอชตีตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วท่านก็สอนในทุดงควัตเพราะทุดงก็คือการปฏิบัติที่จะช่วยเสริมในการบรรลุธรรมให้เร็วขึ้นก็มีการบิณธบาตเป็นวัดแล้วท่านก็ปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าหนึ่งในพุทธกิจห้างก็คือการออกบินฑบาตพระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญต่อสามาธิของพระมาก คือการบินธบาติไม่ได้สอนว่าเดี๋ยวรับกินนิมนต์นะไปฉันที่นู่นฉันที่นี่แล้วเดี๋ยวรอให้ญาติโยม อ, อทากลับข้องกับข้าวมาที่วัดนะหลวงพี่ไม่ต้องไปไหนหรอกหลวงพี่นั่งเฉยๆเดี๋ยวเขาก็จัดมาให้กินแล้วอนี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนบอกให้บินธบาติเลี้ยงชีพครบาอาจารย์ท่านถึงการบินธบาตนี้เป็นภารกิจสําคัญ อย่างหลวงปู่มั่นนี้ท่านท่านบินธบาติจนกระทั่งวาระสุดท้ายจนที่ท่านไม่สามารถบินธบาติได้ตอนที่ท่านเริ่มป่วยท่านเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านท่านก็เดินไปแค่ครึ่งทางชาวบ้านก็ออกมาใส่ครึ่งทางพอต่อมาไปไปไม่ถึงครึ่งทางไปถึงแค่ประตูวัดชาวบ้านก็ไปใส่ที่ประตูวัดพอไปไม่ถึงประตูวัดก็บินธบาติบนศาลา อบินตบากบนสาราไม่ไหวก็ยุติกันนี่นหละความสำคัญของบินทบากหนงปู่ม่านท่านให้ความสำคัญมากเก็บไข้ได้ป่วยยังไงถ้าไปได้ก็ไปถ้าจะไม่ไปก็เฉพาะเวลาอดอาหารเท่านั้นถ้าอดอาหารก็ไม่ต้องไปบินทบากเพราะไม่เริ่มจะบินมาทำไมบินมาแล้วเมื่อไม่ฉันก็ไปเสียอาหารชาวบ้านเขาเปล่าๆก็ไม่ต้องบิน ที่ไม่บินทบายก็เพราะว่าบางทีอยากจะเก็บตัวไม่อยากจะออกมาเจอผู้คนอยากจะอยู่เงียบๆภาวนาให้มันต่อเนื่องถ้าออกมาบินทบายมันจะขาดตอนออกมาแล้วก็ต้องพบปะผู้คนต้องมาพบกับต้องมาทํากิจวัตรที่ศาลามันก็ทําให้การเจริญสติไม่ต่อเนื่องนั่งสมาธิไม่ต่อเนื่อง บางทีอยากจะนั่งนานๆแต่เวลาบินทบาตยังไม่อยากจะออกไปบินฑบาตก็ไม่ไปมันเลยนั่งสมาธิต่อก็เลยถือว่าวันนั้นอดอาหารไปแต่ได้อาหารใจที่อิ่มกว่าอาหารร่างกายพอใจมีความสงบแล้วเรื่องการอดอาหารนี่ก็จะไม่รู้สึกหิวเลยหิวก็ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะใจอิ่มดีกว่าวันที่ไปบินฑบาตกินร่างกายอิ่มแต่ใจกลับหิว กินอีกแล้วไม่ทันกิ่นชัว่วโมหวอีกแล้วข้อที่สามการที่เรายังทำธุระธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆวันนี้อาจยังไม่สนโสนผลกระทบต่อคนงานผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมแต่อนาคตอาจมีผลกระทบแบบนี้เท่ากับว่าเราทําบาปไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่บาปหรอกมันไม่เป็นสามาชีพคําว่าสามาชีพนี้ไม่ได้เป็นคําว่าบาปเป็นแต่อาชีพที่ไม่ควรกระทํา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 เลยทำให้คิดนูน่นคิดนี่ลูกขอแนวทางในการแก้ไขเจ้าค่ะก็รู้ว่าไม่ปฏิบัติแล้วพอเริ่มคิดก็ถึงว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ต้องไม่คิดข้อที่สองลูกมีความตั้งใจอยากบวชชีตั้งแต่ยังเด็กๆจนปัจจุบันอายุสี่สิบสองก็ยังไม่สามารถบวชได้ <c oughs> เนื่องจากมีภาระ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 งั้นถ้าเรามองว่าการหลุดพ้นนี้เป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งเราก็สามารถทิ้งทุกอย่างไปได้คําถามจากคุณนะัทเถรยาของผมนั่งสมาธิแล้วท่องุูโทใจก็ไม่นิ่งเลยเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจก็เหมือนกับเราท่องเข้าออกใจก็ยังไม่เป็นสมาธิห่วงข้อปลดแนะแนวทางด้วยครับอ๋อพ่อยังทําน้อยไปไง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 หรือผู้ถือสิน 8, ดควรติดตามข่าวสารรับรู้การเปลี่ยนแปลงทั้งโลกหรือไม่ถ้าติดตามได้ควรระวังหรือเลือกที่จะรับรู้โดยการวางใจอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงอารมณ์ไปกับการกับข่าวสารต่างๆครับ อ, อ๋อนางบัวจริงๆนี่ไม่ควรรับรู้อะไรเลยต้องปิดทวารทั้ง5ตาหูจมูกนิ้นกายสมัยก่อนไปอยู่ที่วัดป่ามั่นตราท่านไม่ให้ดูนังเสื้อพิมไม่ให้ฟังวิทยุ ไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับใครทั้งนั้นให้ปิดทั้งหมดแม้แต่กินนิมนต์ยังไม่ให้ออกไปเลยไม่ให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้ดึงใจเข้าข้างในอย่างเดียวถ้าอยากจะบรรลุต้องดึงใจเข้าข้างในถ้าเปิดทวารใจมันก็จะออกท่านยังบอกให้ปิดทวารทั้งห้าแล้วก็มาปิดทวารที่หด้วยสติทวารที่หก็คือความคิดตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ทวารทั้งห้า จักระิเลมันจะออกไปตามทางทางตาหูจมูกนิ้งกายแล้วก็ใจก็คือความคิดมันปิดทวารด้วยการไปอยู่ที่ไม่มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ใช้สติหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดใจก็จะเข้าข้างไหนใจก็จะสงบแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระอาจารย์ครับผมได้นสนทนากับผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งครับแล้วก็เขาก็สงสัยว่าทําไมเขาเนี่ย ถึงมองภาพอสุภาต่างๆหรือแม้แต่การที่ดูแลแม่ของเขาเนี่ยเช็ดที่เช็ดอะไรเงี้ยครับเช็ดไม่มีความรังเกียจเลยแล้วก็ไม่ไม่ไมรังเกียจในอสุภาษแต่ในก็อสุภานี่คือรูปอย่างเดียวนะครับในรูปเขาผมผมก็ระบมผมก็ตอบไม่ได้เพราะเขาก็อยากรู้กันขออาจารย์ตอบด้วยครับดูว่าไงว่าว่าทําไมเขาถึงไม่มีความรู้สึกกับเวลาเห็นภาพอสุภาษ์เขามาไม่รู้กสะอิดสะเอียนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ก็แสดงว่าเขาอาจจะชินกับมันไงเขาเห็นมันมาพอแล้วจนกระทั่งใจเขาเฉยๆกับมันเหมือนหมอที่เขาผ่าตัดเนี่ยเขาก็ผ่าเห็นตับไตไส้พุงลำไส้เขาก็เฉยๆกับมันเพียงแต่ว่ามันเห็นผิดเวลาเท่านั้นเองมันควรจะเห็นตอนที่มีการอารุมมากกว่าเช่นเวลามีการอารุ์เห็นใครหล่อๆสวยๆแล้วอยากจะร่วมหลับนอนกับเขา่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 เวลาไม่ปวดท้องนี่กินยาแก้ปวดท้องไปมันมันทำอะไรได้ไม่มีผลอะไรนะแต่เวลาปวดท้องแล้วกินยาแก้ปวดท้องนี่เลยอ่ามันทำให้หายปวดท้องได้เวลาเราถือศีลแปดนีเป็นนักบวชเราร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้แล้ว เ, เกิดการมารมอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาเนี่ยจะทำยังไงจะให้มันหยุดการมารมได้ก็ต้องเห็นอสุภะเท่านั้นะตอนนั้นแหละถึงจะทาให้อสุภะนี่มี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 ยังไงก็ต้องตายแน่ๆเองแย่จะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองตอนนี้ยังไม่ได้เจอหมอยังไม่ได้เจอโรค ก, ก็ยังเฉยๆอยู่พอไปเจอหมอเจอโรคแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเนี่ยทีนี้ดูซิว่าใจจะเฉยๆได้หรือเปล่าถ้าไม่เฉยก็แสดงว่าเราต้องเอายามากินละเราก็ต้องยอมลองใช้พิจารณาความตายละพิจารณาเนทั่งมันยอม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 ใจหนึ่งก็เสียดายใจหนึ่งก็เบาใจโอ้ความเสียดายนั้นก็หายไปความใจก็มีความสุขขึ้นมางั้นท่ายมากเท่าไหร่เรือให้ของที่เรารักมากเท่าไหร่ยิ่งจะได้ความสุขมากได้ได้บุญมากเพราะว่าคาําว่าบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของที่เรารักไปยิ่งให้ร่างกายได้นี้ยิ่งยอมตายนี้ยิ่งสบายใหญ่เลย ยิงสุงใหญ่เลยแต่ให้ตอนที่ยังไม่ตายนี่ไม่ได้บุญนะเช่ น, นจะเขียนหนังสือว่าจะบริจาร่างกายนี้ให้กับโรงพยาบาลนี้ยังไม่ได้ให้ถ้าจะให้ต้องให้ตอนที่มีชีวิตอยู่เช่ น, นบริจาคไตอ่ะอยากจะได้ไตขอบอริจาคายไปบริจาคเลือดอย่างนี้อันนี้ให้แบบที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นนอะมันจะได้บุญเพราะเราเป็นผู้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 การสร้างอะไรต่างๆเ่านะั้นมันมีประโยชน์ของของของแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่บุญนี่เหมือนกันคือเราเสียเงินสร้างเราก็ได้บุญนีอ่อยากจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ให้มากหรือให้น้อยไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างพุทธรูปหมายความว่าเงินจำนวนเดียวกันสร้างพุทธลูปแล้วจะได้บุญมากกว่าสร้างเหรียญ น, นี้มันไม่ใช่บุญมันเท่ากันเพราะเสียเงินเท่ากัน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 ถ้าเราอยากให้โรงเรียนจเจริญเราก็ไปทำที่โรงเรียนแต่บุญที่ได้เท่ากันไม่ว่าจะไปทำที่ไหนถ้าเสียเงินเท่ากันเงินจำนวนเดียวกันเนี่ยไปทำที่ไหนความสุขใจมันก็เท่ากันคาถามจากคุณวรพรรู้สึกกลัวมากและตกใจเวลาทำสมาธิแล้วเห็นหนอนตัวเล็กๆขึ้นที่ขาและบางครั้งล้างหน้าหน้าก็เละอยากถามให้เมต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 กลัวเงาของตัวเองตัวเองคิดขึ้นมาเองแล้วก็ไปกลัวกับความคิดที่ตัวเองคิดขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองนั่งสมาธิแบบไม่ถูกวิธีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นอะไรแต่งปางนานาแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธไปนี้ไม่มีเห็นอะไรหรอกยู่กับลงไปนี้มันจะไม่เห็นอะไรคำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณกิตรกรนะครับอันลุกพิกคาขา ที่พระพุทธเจ้าแสดงควมเป็นลำดับไปนั้นขอพระอาจารย์เมตตาแสดงเป็นลำดับเลี้ยงนำไปพิจารณาเราจะไม่ได้ลราถึงไม่เคยแสดงเลย mm hmm. ต้องไปเปิดดูในใน y o u t u b e เอใน mm hmm. อะไรก็ได้แล้ mm hmm. ในอ mm ินเทอร์เน็ตไม่เยอะแยะ mm hmm. ก็แสดงจากตั้งแต่อะไรทานศีลภ น, นาขึ้นไปน่แหละมีหลายระดับด้วยกันจำไม่ได้ลารี mm hmm. เพราะคนเรามันมีหลายระดับมันนั่งเรียนไนย ตรงนี้ก็ถึงมีหลายชั้นใช่ไหมบางคนก็ต้องเข้าอนุบาลบางคนก็อยู่ปฐมบางคนก็อยู่มัธยมทำต่างๆนี้ก็มีหลายระดับระดับปฐมระดับมัธยมระดับอะไรต่างๆไประดับแรกก็เชื่อให้เชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่ออะไรอย่างนี้ก็ระดับสอนให้เชื่อก่อนเมื่อสอนเชื่อแล้วก็สอนให้ทําทานไปสวรรค์รักษาศีลจะได้ไม่ไปนรกแล้วก็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 คำถามจากคุณอาพรอยากทราบวิธีออกจากสมาธิที่ถูกต้องค่ะเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิค่ะ เ, ออเวลานั่งแล้วมันเริ่มคิดมันนั่งต่อไปไม่ได้ก็รู้ออกมาเท่านั้นเองเนี่ยจะมีอะไรต้องถูกต้องนั่งทนไม่ไหวก็รู้ออกมาเลยถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งหน่อยหรือว่าถ้านั่งแล้วสงบก็ทบทวนดูว่าวันนี้เราสงบได้อย่างไรได้จําไว้คราวหน้าเราจะได้นั่งแบบนี้ใหม่ เพราะวันนี้เราพุทโธอยู่อย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วจิตสงบอ่าก็จําไว้ว่าถ้าอยากจะสงบอย่างนี้ข่าวนั่งก็ต้องพุทโธอย่างเดียวไม่ใช่พอข่าวนั่นั่งปั๊บก็ไม่ได้พุทโธมีแต่คิดถึงข่าวที่แล้วว่าเอ้ยมันสงบวันนี้ทำไมมันไม่สงบสักทีนี่มันไม่มันไม่ได้นั่งพุทธโทละมันนั่งฟุ้งซ่านละมันนั่งฟุงแต่งไปละอยากให้มันสงบแต่มั้นไม่สงบเหมือนข่าวที่แล้วก็ข่าวที่แล้วทําไงไม่ทําอยากข่าวที่แล้ว ก็ต้องทําแบบคราวที่แล้วคราวที่แล้วอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคราวนี้อยากจะให้สงบเหมือนคราวที่แล้วก็ต้องอยู่กับพุโทโธไม่ใช่ไปอยู่แต่ความอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วโดยที่ไม่ได้มีพุโทโธมันก็ไม่สงบคําถามจากคุณชา้าตอนนั่งสมาธิใช้บริกรรมยุบหนอ่อพองหนอแทนพุโทโธได้ไหมคะได้ลองทั้งสองแบบแต่ดูเหมือนการสังเกตท้องพองยุบพร้อมบริกรรม จะสังเกตได้ชัดกว่าจะสงบกว่าแบบพุดโธเล็กน้อยค่ะอันไหนที่ได้ผลดีกว่าก็เอาอันนั้นก็แล้วกันคําถามจากคุณวิลาไลเล่นโยคะ15นาทีนั่งสมาธิต่อเหงื่อออกมากควรทํําควรทาสมาธิอื่ไหมครับเออควรทําสมาธิสมาธิสําคัญกว่าโยคะคําถามจากคุณลาวิวัน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 แทนนี่จะไปฆ่าผู้ร้ายเรากลับมาฆ่าผู้บงังคับบัญชาเราที่เข้ามีบุญคุณกับเรานี้ก็มีโทษต่างกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีโทษต่างกันฆ่าเป็ดฆ่าไก่กับฆ่าวัวฆ่าควายนี้ก็มีโทษต่างกันเราสมัยก่อนเราใช้วัวควายเป็นที่พึ่งช่วยทําไร่ไถนาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเป็น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 คำถามสุดท้ายนะคะจากคุณสุธมาเวลาจิตมีอารมณ์ต่างๆมากระทบแล้วจิต ก, กระเพื่อม ค, ควรควรปฏิบัติอย่างไรคะก็ถ้ามีสติก็หยุดมันด้วยสติพุโทโธพุโทพพโธไปแล้วพอพุทโธไปแล้วเดียวมันก็จะหยุดเองครับถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่าเหตุอะไรทําให้ใจเรากระเพื่อม <le> เหตุก็คือความอยากลองคนดูว่าตอนนี้เรากคำอยากเกี่ยวกับเรื่องอะไร